สบห้าสติสัติสที่สนามบินวิมานตลาวรวิมานตลาวร์ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะมลาเอเธนส์ที่วิมานอาจจะตั๋วที่อารักชิตก็้ मला विमानाचे साथी करायीचा अथेन्स आरक्षित तिकित ठेयो มาลेอเธนส์สัตว์ที่วิมานาตและติดกิบุารี่ค धुम्रपान निषिद्ध ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะม ल ा म ा झ ेย र क ् ष ण न ि श ्ชิตกระจ च ยเสียให้มลามาจัยอารั् च ि त क र ิตกีดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ मलामाझे आरक्षण र द ्ั क र ากรेจายเสียให้มลามาจัยอารีดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ मलामाझे आरक्षण ब द ल ाด च ากร มละมัจาการ์ดชนเปลียจาเหเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะโรมสा ठ ी प ปุระ व, व, व िิा न มัी आहे ารมสัตหีปุระเซินกดีอาหยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะโดนซีดอุปลับถ้าอาเหตดนซีดอุเหตกะไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะนั่ीเองอำชะจาวล์ภักดีเอกซีทอุปลับถ้า่ะจาล์ภักเซุปลับเเราจะไปถึงเมื่อไรคะอัปล व วิมา क ค त ิ व ाฏตาอุตตรนาร์อ विमा วิานติวัฏตอุตรนาร์เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรคะ อพันติดเท่ก็ดีพูดชนะอพันโิดเชนะรถบาสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะาวร่ดบัสก็ดีจัดเตะชาวราดบัสก็ดีจัดเนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ ह ี सूटकेस ส प พลี่อาเฮก้าฮีสุตรเกสอพลี นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ He b g อะไรอะเ h bag อะไรอะนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Hey สมอะไรอะเฮค y สมานอะไรอะเฮค่ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ มีมाาจ๋าสูบบั त รกี่ตा ख ํามาณเกี่ยวุชกเตมีม้าจ๋าสูบบัตรกี่ตีสํามาณเกี่ยวุตยี่สิบกิโลกรัมวิกิโลวิกิโลอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะก่ผักวิสกิโลก่ผวิสกิโล